ฝรั่งช่วยให้รู้ว่าที่เมืองเขาคนหนีภัยศาสนาพอมาเมืองไทยคนสยามเอาใจต้อนรับอย่างดีทีนี้มาถึงในทหารบ้างขอพูดถึงในทหารใหญ่คนหนึ่งที่ชื่อว่านายพลฟอบังในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง เข้ามารับราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยาได้เป็นนายพลชื่อนายพลฟอบังท่านผู้นี้อยู่ในกรุงศรีอยุธยานานต่อมากลับไปประเทศฝรั่งเศสก็ไปเล่าให้พระเจ้าแผ่นดินและบาทหลวงผู้ใหญ่ทางฝรั่งเศสฟังแล้วเข้าบันทึกกันไว้นายพลฟอบังเล่าว่าที่ทำให้คริสตศาสนาแผ่ไพศาลไปได้ไม่เร็วนั้นต้องโทษจันยาวัดของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีความอดทนและเคร่งครัดมากพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ไม่เสพสุราเมรยัยฉันแต่ของที่คนใจบุญถวายเป็นวันวันไปเท่านั้นของที่ได้มากเกินความจำเป็นก็บริจาคแก่คนจนไม่เก็บไว้สำหรับวันรุ่งขึ้นเลยตามปกติใจความของพระธรรมเทศนานั้นแน่นำให้คนทำบุญจึงทั่วพระราชอาณาจักรนั้นมีคนใจบุญมากมาย เพราะฉะนั้นเราจะไม่ลายเห็นคนที่จนถึงต้องขออาหารมารับประทานทรมัจัร ญ, ญาของเขาเลิศกว่าของเรามากนายพลฝรั่งเขียนต่อไปอีกว่าเขาหานับถือผู้สั่งสอนศาสนาของเราไม่เพราะผู้สั่งสอนศาสนาไม่เกรงรัดเท่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อผู้สั่งสอนศาสนาของเราแสดงคริสตธรรม คนไทยซึ่งเป็นคนว่านอนสอนง่ายนั่งฟังธรรมปริยายนั้นเหมือนฟังคนเล่านิทานให้เด็กฟังความพอใจของเขานั้นไม่ว่าจะสอนศาสนาใดก็ชอบฟังทั้งนั้นพระภิกษุทรงไม่เถียงเรื่องศาสนากับผู้หนึ่งผู้ใดเลยเมื่อมีคนยกคริสศาสนาหรือศาสนาใดๆมาพูดกับท่านท่านก็เห็นว่าดีทั้งนั้น ถ้ามีคนมาปรากปรามพระพุทธศาสนาท่านก็ตอบอย่างเย็นใจว่าเมื่ออัตมาภาพเห็นว่าศาสนาของท่านเป็นศาสนาที่ดีเหตุไรท่านจึงไม่เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีเหมือนกันเล่าพระของเราตอบฝรั่งไปอย่างนี้เพราะคนไทยมีจิตใจเป็นพื้นมาอย่างนั้นต่างกับฝรั่งที่ต้องดิ้นรนต่อสู้มานานนักหนาจนกระทั่งต้องอยู่ด้วยกันด้วย ก, วยกฎหมาย เอากฎหมายเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้คนรุกรานหรือรุกล้ำละเมิดกันแม้แต่ใกล้ๆปัจจุบันนี้เองคนไทยเราก็ยังมีน้ำใจดีเหมือนเดิมอย่างทางใต้ของเรามีคนนับถือศาสนาอิสลามมีชาวมุสลิมมากเราก็อยู่กันมาด้วยดีไม่มีปัญหาเหมือนพี่เหมือนน้องพระทางใต้ท่านเล่าให้ฟังว่าในภาคใต้เราที่เป็นมาต่ก่อน คนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมอยู่ด้วยกันเวลาคนมุสลิมสร้างมัสยิดคนไทยพุทธไปช่วยสร้างเวลาชาวพุทธสร้างโบสถ์ชาวมุสลิมก็มาช่วยสร้างนี่เป็นสภาพที่หาได้ยากไม่มีที่ไหนอื่นในโลกอย่างประเทศอเมริกาที่ว่าเป็นประเทศที่มีเสรีภาพมีความเป็นประชาธิปไตยก็เป็นด้วยกฎหมาย คือเขามีประสบการณ์ในการบีบคั้นข่มเหงกันมากลองไปอ่านประวัติศาสตร์ของฝรั่งที่จริงเราต้องรู้ว่าฝรั่งเป็นมาอย่างไรเขารบราฆ่าฟันกันมากมายมีภัยบีบขั้นในยุโรปจนเข็ดหยาิก็ยังไปพิฆาตกันในอเมริกาอีกจะหาทางแก้ไขก็ต้องใช้วิธีตั้งกฎหมายขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันและบังคับคนไม่ให้บีบคั้นฆ่าฟันกันด้วยเรื่องศาสนาหรือนิกาย การที่เขาหนีออกจากยุโรปมายัางอเมริกานั้นเหตุหนึ่งที่สำคัญก็คือการหนีพายเรื่องการบีบคั้นทางศาสนานั่นเองดิ้นรนดัน ด, นด้นมหาอิสระเสรีภาพการที่คนชาตินี้เชิดชูเสรีภาพมากก็เพราะมีประสบการณ์แห่งการกดขี่ข่มเหงมาในอดีตมากมายถึงอย่างนั้นอเมริกาวลานี้แม้แต่มีกฎหมายบังคับควบคุมก็ยังมีพวกสมาคมลับ มีพวกคููคลักรสแคนเอาไว้สำหรับค่าคนผิวดำแล้วต่อมาก็มีนาซีใหม่อีกทั้งสองพวกนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นี่ก็เพราะในจิตใจยังแก้ไม่ตกแต่ของเรานี่เป็นพื้นอยู่ในจิตใจจึงพูดได้ว่าเรื่องเซรีภาพทางศาสนาเนี่ยอเมริกายามาคุยเลยถ้าเทียบกันและใช้คำสมัยใหม่ก็เรียกว่าอเมริกามีเสรีภาพในทางลบ คือเสรีภาพแบบคอยกั้นคอยกันคอยระวังไม่ให้รุกรานข่มเหงกันแต่ของไทยนี้เราเป็นเสรีภาพแบบบวกคือกลายเป็นสมัคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่ว่ามานี้เป็นสภาพที่เป็นมาในพื้นเพพภูมิหลังที่เราจะต้องรู้จักตัวเองแต่สภาพอย่างนี้เราจะรักษาไว้ได้หรือไม่เวลานี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดด้วยความไม่ประมาทว่า จะรักษาคุณธรรมที่เคยมีมาไว้ให้ได้นี่แหละคือปัญหาเรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนา